ขอกราบสวัสดีท่านผู้รับฟังรายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศิีประดมทุกท่านครับ วันนี้วันจันทร์ที่18ธันวาคมพุทธศักราช2549รายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปรุมจะเป็นรายการสดครับโดยมีกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติพงศ์มีประดิษฐ์ผู้อนวยการสานักวิชาการศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยศรีปรุมเป็นผู้ดเนินรายการครับวันนี้ทางรายการกลพัฒนาพระเดชพระคุณพระเทพยิลกวัดประวัติเรื่องพิหารเป็นคนตอบปัญหาธรรมะ ค, ครับหมาโทรศัพท์ของทางรายการคือ022413315 022413315นะครับมีสายแรกมารออยู่ครับข อ, อา สายได้ก่อนนะครับสวัสดีครั บ, รบสวัสดีครับผู้ราการ ก, ก, กับกาบเรื่องการเย่างพอครับแล้วอยากจะถามสองข้อครับใช่ผมแล่อยากจะถามว่าปริญญาชีวิตเหมือนอย่างมผมไม่เข้าใจอะคือคนที่เคยสัมผัสกับสิ่งที่เรา ม, มาตลอดแล้วก็ดีมาตลอดแล้วก็ ตนี้เชื่อปริญญานะครับแล้วก็กลับตัวได้ตรงนี้ครับแล้วก็กลับคนที่ดีมาตลอดเป็นเคยเจอสิ่งที่เรื่อยๆมาก่อนเนี่ยครับอะไนจะดีเหมืกันครับกลับคนที่กลับได้ข้อสองความยุติธรรมตนสมัยว่าอย่างไรผมไม่เข้าใจจริงๆผมถามถามว่าไม่แต่ครับพลเมืางแสดีๆครับดูไม่ไงครับครับสวัสดีครับปริญญาชีวิตจะเปรนอปริญญาชีวิตแต่ ปัญญาชีวิตมันมันก็อยู่ที่ความ ป, ปริญญาหมายถึงว่านหนึ่งก็คือการเรียนรู้สองก็คือการคิดสามก็คือการละชั่วดได้ประพฤติดีได้เราเรียกว่าปริญญาเราเรียกว่าญาตปริญญารู้ด้วยการเรียนรู้รยนหนะปัิญญารู้ด้วยการคิดใช่ตรองแล้วก็ปหานะปัิญญารู้ด้วยการละชั่วประพฤติดี นะมันมันมั น, ม, นมันก็คนเราก็ยังไงก็ตามนะขอให้มันมีเรียกว่าต้นโคตปลายโจงม่ใช้ได้แบบโจงริมาอย่างเงี้ยนะคตยคือคือจะให้เรียบหมดเลยนี่มันก็มีพวกสว่างมาสว่างไปนะแต่ว่าคนประเภทนี้น้อยสุดเมาก็มาเป็นคลื่นมาหรือว่ามาเป็นเส้นทะแยง่ะเช่นพวกมืดมาและสว่างไปครับ หรือว่าอาจจะมืดมามืดไปครับหรือว่าสว่างมาแต่มืดไปแล้วคือบางคนมีหลายประเภทอะแล้วพวกผู้สว่างมาสว่างไปไนี่ที่จริงมีไม่ค่อยมากหรอกนะครับเพราะ ว, ว่าวิธีชีวิตจริงๆคนส่วนมากก็คือทำดีไม่ค่อยผลเนื่ยครับท่านครับครับค่อยสองความยุติธรรมนี่แปลความหมายมคือยุติธรรมเนี่ยหมายความว่าตรงเนี้ยสมมุติว่ามันมันเราพูดเรื่องอะไรครับท่านครับ เช่นสมมุติว่าขนดรำเนียมประเพณีเนี่ยมันยุติด้วยความเชื่อของท้องถิ่นเหล่านั้นครับทีนี้ถ้ากฎหมายก็ยุติด้วยว่าการกระทําอย่างนี้กฎหมายว่าอย่างนี้แล้วก็ตัดสินไปตามกฎหมายว่าครับตามที่เขาทาอะ่ะเจ้าคนฆ่าฆ่าคนตายกฎหมายว่าอย่างไง ใช่ไหมฮโดยเจตนาไม่เจตน า, ไ ม, ตนาไม่องค์ประกอบเข้ามาันแล้วเขาก็ตัดสินไปตามข้อมูลต่งตางๆซึ่งเกิด ข, ขึ้นจากการกระทําของเขาโดยเอาเอาทับเอาเอากฎหมายตัวเนี้ยมาจับครับทีนี้ในในกรณีของของเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันในในกรณีของศีลเมื่อก็สินมาจับอใช่ไหมฮะว่าศีลเขาบัญญัติอย่างเนี้ยเช่นว่าฆ่าคนตาย ต, ต้องปรารชิกสมมตริพระเงี้ยนะแล้วก็มีพระกอฆ่าคนตายก็ก็พระกอก็เป็นปรารชิก ค, ครับหรือว่าในแง่ของธรรมะธรรมะก็หมายความว่าธรรมะว่าไว้อย่างไงตรงเนี้ยแล้วคนนั้นทําถูกต้องตามธรรมะหรือไม่ก็เรียกว่ายุติโดยธรรมมันจะรี่ก่าแล้วเป็นธรรมคือเชี่ยงธรรมมันมั น, ม, น, ม, นมันมีอยู่สามคำคแต่ว่ายุติโดยธรรมน่ะคือตัวมาตร ครับแต่คล้ายๆกับเราพูดถึงพันเจ็นว่าไอ้มิเตอร์ว่าอย่างไงครับมันไม่ใช่เราว่าอย่างไงมิเตอร์ใช่ไหมฮความยาวอย่างเนี้ยไม่เม็ดว่าอย่างไงครับก็คืออย่างนั้นนหะครับเอ่ันครับขอบคุณครับที่เป็นยุติได้ทำสายที่สองครับสวัสดีครับ นะครับจะพูดเป็นอะไรกันนะครับแล้วถามนมาตการพระเดชบิลกนะครับผมมีปัญหาเรียนถามสามข้อนะครับครับข้อที่หนึ่งครับข้อที่หนึ่งคือการถวายข้าวน้าและผลไม้แก่พระพุทธรูปเนี่ยแก่พระพุทธเนี่ยฮะเป็นเรื่องที่ถูกต้องและสมควรหรือไม่นะครับครับผมข้อที่สองนะครับ คขลวาดเนี่ยถ้าจะสวดบทธรรมจากกับประวัตินาสูตรนี่ได้หรือไม่นะครับแล้วข้อที่สามนะครับบทสวดมนต์รัตนะสุดจางนี่เป็นบทสวดที่กล่าวถึงเรื่องอะไรครับผมจับเป็นสามข้อนะครับขอบพระคุณมากครับครับก็ด้กถวายครับก็ก็ที่จริงเป็นการบูชานะฮะเป็นการบูชาแล้วเราอย่าลืมว่าความเชื่อแบบโบราณคนเรามันเคย เส้นผีกันมาก่อนดังนั้นในโลกเนี้ยครับเพราะงั้นก็มันมั น, ม, นมันก็ติดกันมาอย่างเงี้ยก็สืบทอดกันมาเป็นจารีดความเชื่อถือทำโดยจิตศรัทธาเลื่อมใสเป็นกุศลและเจตนาก็าทำํำไปเถอะมันจะเรื่องเสียหายอะไรครับแล้วก็ไม่สิ้นเบืองอะไรด้วย <laughs> แต่ว่าเรารู้สึกว่าได้บูชาครับเป็นการบูชานะฮะไม่ใช่ว่าถวายพระส า, านรนครครับผม แล้วก็สการสวดธรรมจันทร์อ๋ก็ไม่ได้ผูกขาดอะไร้การสวดก็ได้ครับก็สวดไปเถอะก็ดีแล้วเนี่ยอะไรอีกไหมสวดรัตนสอ๋อรัตนสูตรเป็นการพูดเรื่องตอนแรกเป็นการพูดเรื่องพวกปีศาจพวกพูดทั้งหลายเนี่ยที่รบกวนมนุษย์แล้วก็เพื่อจะขออนุภาพพระพุทธคุณธรรมคุณสังคุณนะได้ช่วยดลบันดาลให้พวกพูดเหล่านั้นนหะ มีเวรไม่ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียเบียนการนะเป็นเป็นก็จบลงด้วยการการขออนุภาพอของพระพุทธเจา้าแล้วขอให้อาุกภัยโรคต่างๆซึ่งมันเกิดขึ้นนั้นได้อันตรฐานไปเมื่อจบเป็นบทบทบบ ท, บทแต่อ้างพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะครับแล้วก็เอาโพชงนี่คนละอย่างนะครับเป็นโพชงเป็นธรรมะเป็นการการ ธรรมะปฏิบัติใช่ไหมฮะในนั้นเป็นการอ้างเอาคุณของพระพุทธเจ้าประธรรประสงค์แต่ว่าอธิบายรายละเอียดพระพุทธคุณประธรรมคุณสังคุณครเป็นบทบทไปนะครับบทบทไปแล้วก็อ้างเอาอนุภาพของพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์เนี่ยให้เกิดเป็นสิ่งดีงามขึ้นมาครับท่านครับขอบคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ครับสายที่สามครับสวัสดีครับคุณมาตรการสวัสดีครับอยากจะถามข้อแรก ไทยเป็นคนแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาไทยแล้วก็ทำไมแปลออกมาเป็นสำนวนที่เข้าใจยากแล้วก็ข้อสองเอ่อทำอย่างไรให้จิตเข้มแข็งไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ที่มากระทบครับครเัอคือพระไตรปิฎกเป็นที่จริงมันแปลกันมานานนะฮะตั้งแต่แถวสมัยราชกาลที่ที่สี่ที่ห้าที่หนึ่งอะไรก็แปลกันมากระปิกระปลอยนะฮะกระปิกรปลอยก็แปลกระเบร้คือการแปลเนี่ยในชั้นแรกเขาต้องรักษารูปศัพท์ทั้งหมดเอาไว้ครับ แล้วก็เขาเรียกว่าแปลโดยพยัญชนะแล้วในการต่อมาจะแปลโดยอัถะซึ่งจะเห็นสับบาลีแต่ว่าพอชั้นหนึ่งนี่จะแปลโดยความแล้วเพราะงั้นในชั้นแรกต้องแปล ร, รักษาโดยเขาเรียกโดยอัดมาก่อนครับถ้าไม่งานข้อความมันจะหลน่นครับแล้วก็เนื้อหามันจะเปลี่ยน ทีนี้เมื่อเมื่อคนเขาอ่านเขาเข้าใจแล้วเขาจะร้อยเรียงด้วยภาษาของเขาคือว่าความเนี่ยมันกลมกลืนกับเรื่องเหล่านั้นแต่ว่ า, าไม่เหมือนกันทุกตัวแต่มาฮะไอเนี้ยมันมันจะง่ายครับเพราะฉะนั้นในการที่พระเอามาเทศก็จริงแท็จะาาปัจเจบิด ố แต่ว่าเราเอามาร้อยเรียงด้วยภาษาปัจจุบันบนะพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตเอาไว้ว่าให้ผู้เธอเรียนพระพุทธวจนะด้วยภาษาของตนเองออเราจึงทําได้ ครับแต่ว่าในการแปลต้องต้องแปลอย่างนั้นนะครับยังอีกอย่างหนึงก็เรียกแปล ร, รอยอย่างมหาชาติเดี๋ยวเรียกแปล ร, รอยอคือมหมายความว่า คำคำเดียวเนี่ยอาจจะบรรยายออกปลายาวนะฮะเช่นสมุนอัศเมยแปลว่าในอาศมเนี่ยมันพัฒนาความสวยงามของอาสมาราธไรว่าประโยชน์ด้วยเลยเรียกแปรร้อยครับข้อที่สองทำยังไงให้จิตเข้มแข็งไม่วันไหวต่อสิ่งที่มากระทบกันทั้งอ๋อมันมันก็ตอนนี้ก็หนึ่งก็คือต้องอดทนนะฮะเราก็สองคือคือคือพูดง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกันว่ามันเหมือนกับอารมณ์ที่มากระทบเดี๋ยวมันเหมือนกับเชื้อโรคครับ อาร้าไม่ดีนะฮะอารมณ์ดีเราไม่ต้องอดทนอะไรรครับพูดถึงอารมณ์ที่ที่ไม่ดีมันเหมือนกับเชื้อโรคถ้าภูมิต้นภานทานภายในจิตเราดีภายในร่างกายเราดีเนี่ยมันเชื้อโรคก็ทําอะไรเราไม่ได้ครับแต่ถ้าว่าภูมิต้นภานทานเราต่ำเนี่ยเราจะไหวต่อโรคเพราะฉะจิตจิตใจเราก็เหมือนกันน่ะถ้าจิตใจเราอ่อนไหวอ่เป็นคนโกรธง่ายเป็นคนริษยายง่ายเป็นคนโลภจัดอะไรต่ออะไรนี่จะจะอ่อนไหวกับอารมณ์ได้ง่ายครับ แต่ทีนี้ถ้าเรามีสมมติว่ากับคนเรามองเขาด้วยเมตตากับสิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นสมบัติของคนอื่นเรามองด้วยการเคารพสิทธิในทรัพย์สินจิตใจเราจะไม่หวั่นไหวนะเพราะว่าเมตตามันจะปะทะเอาไว้แล้วก็ในขณะเดียวกันไอการเคารพสิทธิของบุคคลอื่นเนี่ยหมายความว่าเราไม่ยินดีในทรัพย์สินของบุคคลอื่นคือมันก็ควบคุมความโลภไว้ใช่ไครับทั้ง ใจมันจะแข็งเองแข็งเองท <Okay. S 2> ีนี้ปัญหาสําคัญว่าที่เราอ่อนไว้นั้นคือภายในใจเรามีเครื่องของเชื้อโรคอยู่เยอ ะ, <Okay. S 2> ะครับหมายความว่าราคาก็เยอะโทสะก็เยอะโลภะก็เยอะริษยาก็เยอะอย่างงี้ก็ไหวแน่น <laughs> ต้องพยายามเพิ่มในส่วนที่เป็นคุณธรรมคือเป็นภูมิด้านฐานโรคครับ <Okay. S 2> และจิตเขาจะทําปฏิกิริยา ต, ต่ออารมณ์เองฮะ ก็คล้ายๆกับร่างกายเรานี่แหละถ้าภูมิต้านทานโรครสูงมันก็ทำปฏิกิริยาต่อเชื่อโรคเองครับต้องพยายามทำจิตให้เป็นอัตโนมัติย่ังไงขอบคุณท่านผู้ใจกรับสายที่สี่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาผมขอกลับเรียนถามปัญหาธรรมสัก2สองข้อนะครับครับผมข้อหนึ่งนะครับอมีหนึ่งข้อบางบง ฟังรูปนะท่านบอกว่าการถวายสังฆทานเนี่ยองค์เดียวก็ได้แต่หลวงพ่อฟังองค์บอกว่าการถวายสังฆทานจะต้องใช้ถึงสี่องนะครับนี่อยากทราบว่า <c oughs> การการถวายสังฆทานที่แท้จริงน่ะจะ <c oughs> ต้องถวายส <c oughs> ี่องค์ถึงถึงจะเป็นการถูกต้องนะครับข้อสองเขาบอกว่ า, า, ก, วาการถวายจตุกัจจัยกับพระนะครับเป็นบาป และพาะก็เป็นอาปส่วนโยมก็เป็นบาปอยากกาับเรียนถามหลวงพ่อว่า อ่าเป็นบาปหรือว่าเป็นบุญกันแน่นะครับ <c oughs> สุดท้ายก็ผมก็ขอา ก, ากราบน้ำพักตการหลวงพ่อผู้บรรยายทำอันเป็นที่ระลอกสูงสุดนะครับครับพระท่นนครับขอขุดแ ร, แรกอะไรนะการถาวายสังฆทานจากหลวงกันได้นนถาวายสังฆทานที่ท่านผู้พระองค์เดียวก็ได้นะหมายความมาเราขอตัวแทนจากสงฆ์องค์นั้นมารับแทนสงฆ์ เราถวายในนามสูงนั่นแหละแต่ว่าท่านก็มารับแทนสูงเพราะฉะนั้นเมื่อท่านรับไปแล้วท่านก็ไปแจกแบ่งแก่สูงก็ได้ถ้ในกรณีนั้นนะฮะทีนี้ถ้าถ้าจริงๆแล้วต้องมีพระครบสี่อ๋อสองค์นะคือภาษาสังฆทานเนี่ยเป็นภาษาของธรรมะกับภาษาของวินัยนะคือคือภาษาของวินัยเนี่ยพระกรรว่าสูงนี่ก็หมายถึงสี่ ทีนี้เมื่อเราเต้องการจะถวายพระเ อ, อสังฆทานเราจึงเน้นไปที่องค์องค์งประกอบของ <S <S ของผู้รับคือมีสี่รูปก็อย่าอย่าอยาเจาะจงอยา่ยาเจาะจงอย่านิมนเจาะจงถ้าเราเจาะจงแล้วทักยี่สิบ ก, ก็ไม่เป็นสังฆทานไม่เป็นสังฆทาน เ, เราเรียกว่าต้องไม่เจาะจงก็จรงิงจรงเรงียกสังฆทานครับก็ขอเนิมนพระรับสังฆทาน สง่งก็าเรียกพระตุทเทแต่ก็ส่งพระให้ oh. ส่งใครก็ได้นะรเราก็ถวายไปแล้วถ้าท่านในกรณีนี้ถ้าถ้าเรามีสี่รูปมันก็มันก็จบ แค่นั้นแต่ถ้ามารับแทนสงท่านก็ต้องไปแจกแกสงอ๋อต้องไปแจกานครับข้อที่สองบางคนว่าจดตุปัจจัยในถวายกะแล้วเป็นว่าไปก็ว่าไปนี่คือพูดในกรณีที่พระรับด้วยมืออ๋อรับด้วยมือแสดงการการรับด้วยมือเนี่ยมันเป็นเป็นอาบัติแต่ทีนี้ถ้าไม่รับด้วยมือเนี่ยเป็นพุทธานุญาตครับคือคือโยนต้องมองความจริงนะฮะว่าพระออกนอกวัดปั๊บมันก็จ่ายต่างแล้วอย่านี้ ถาไม่มีสตาร์มก็อยู่ไม่ได้น้องเจ้าอยู่ในป่าครับก็ถว้ายหวเราก็มอบหมายให้แก่วัยเยาวชนแก่เด็กนะครับพูดง่ายแกเด็กแกแกคนที่ปฏิบัติพระหรือบางครั้งบางคราวเราก็าไปที่ที่กุฏิไม่ไม่มีเด็กอยู่นะฮะเราก็อาจจะขอวางไว้ก่อนแล้วก็ไปบอกเด็กที่หลัง หรือบอกใครทราบไว้เบาวางไว้ตรงนี้แต่ให้เด็กเก็บด้วยนะครับครับคือฝากเพื่อให้เด็กเก็บผมไม่จฝากฝากครับครับครับผมขอบคุณท่านผู้ใจแข็งครับ022413315นะครับโทรศัพท์สถามปัญหาธรรมะเข้ามาได้ครับขอสายที่ห้าครับสวัสดีครับสวับดีครับสวัสดีครับได้เลยครับครับครับมาตรการแล้วงพ่อท่านผู้ใจแเลยครับเพื่อจะสอบถามปัญหาธรรมะครับคือว่าเมื่อตอนที่ บน น, นนะอกนนแอละผก็เคยเชี่เรื่องผีป่าผีกสือผีกระหังแต่พอมาอยู่อที่ก็ได้มาศึกษาเอ่องขอศา ส, สนานะ่นเองเชื่อเหล่านั้นมันก็หมดไปแล้วแต่ว่าการกลับไปบ้านนอกเนี่ยคนที่เชื่อเรื่องผีก็ยังมีอยู่ยุ่ยเรื่อนีครทีนี้ผมนจะสอบถามวนะ่าที่เขเชื่อว่าผีกสมาสิงรางคนแล้วั กินปักใจตัวเองเท่ น, นี้นะครับ <S <S เอ่อท่านอยากจะถามว่าเอ่อสิ่งที่เป็นโภวปาติกะนีะครับสา ม, มารถกินอาหารอยางยากของมนุษย์ได้ไหมครัอ๋อครั บ, ออบเอ่อถเพิ่ตรงนี้ครับครับคือเป็นเป็นเรื่องของความปักใจฝังใจอะมากกว่านะเป็นอุปทานที่สะสมเอาไว้อะเพราะ ในในแง่ของความจริงก็คงมากินอะไรไม่ได้หรอกนะเพราะว่ามันมันชีวิตบป็คนมิติกันครับแต่เขาเขาไม่ได้กินอาหารหยาบแต่เว้นนี้แต่อาจจะเป็นพวกเปรตบางชนิดนะอาจจะเป็นมีเปรตบางชนิดก็ได้เราก็ไม่รู้ไอ้ผีกระหังกระสือเนี่ยมันมันเป็นเป็นพวกอะไรครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันรู้สึกกำมีเฉพาะธรรมภิษานี่ไหมปอบปีอะไรเนี่ย คือมันมันมันมีลักษณะเป็นตำนานแล้วก็เป็นความเชื่ อ, ค, ค, อคือเชื่อเต็มกายเป็นอุปทานหมู่นะครับก็ยังยังยังไม่เคยพบว่ามันกินได้เป็นคำคำนะแต่ว่าเ อ, อโดยโดยการอุทิศส่วนกุศลเราพูดถึงเปรตพวกหนึ่งเรียกว่าปรัตตทูพชีวิเปรตมันจะเกิดสําเร็จเป็นอาหารอืออาหาร <c oughs> คือให้ให้ให้ให้แกอิ่มแต่ว่าก็อาหารไม่ได้เปลืองไปหรอก จริงๆมันมันก็ยังยังไม่เคยพบหลับฐานไม่กินได้ <c oughs> รับขอบคุณเช่ญผู้จัดครับศูนย์สองสองสี่หนึ่งสาัสามหนึ่งห้าครับสายที่หก ค, ครับ <c oughs> สวัสดีครับ ครับสอบถามได้เลยครับข้อปฏิบัติเบื้องต้นในการเป็นโสดาบันมีอย่างไรบ้างขอฟังทางวิทยุค่ะครับผมขอบพระคุณมากครับโอ้แต่ขนาดเป็นโสดาบันนีนไม่ใช่เล่นะ น, นะนนะคือหนึ่งคือสีนเนี่ยอย่างน้อยสีห้านี่ต้องสมบูรณ์ <c oughs> นะสีห้าข้อเนี่ยต้องสมบูรณ์ แล้วก็มีสมาชิอยู่พอประมาณนะสมาชิกเนี่ก็ไม่ใช่สมบูรณ์หรอกแต่เรียกว่าพอประมาณครับแล้วก็ปัญญาพอประมาณประมาณขนาดไหนล่ะคือปัญญาที่เกิดนั้นไปไปดับสังโยชน์ได้สามข้อไปดับสักยะทิฐิความเห็นเป็นตัวเป็นตนไปดับวิจิจิฉาคือความเครือบแคลงสงสัยในคุณพระตันได้เป็นตน้น แล้วก็ไปดับไปความเชื่อระบบความเชื่อที่เรียกว่าศีลปตประมากนะ์ะถือบั่นโดยโดยขวัดปฏิบัติแบบขลังศักดิ์สิทธิ์เวทบนคาถาไอ้พวกพว ก, พ ว, กวัดต่างๆนะตามปกติพระตถาจารย์มักจะยกตัว อ, อย่างาโคขวัตสุนัขขวัตเรียนแบบสุนั ข, นขเรียนแบบโคอะไรต่เนี่ยครับไม่มีความเชื่อถือในลักษณะนั้นดยางนั้นมันมันถ้าเรามองอีกอย่างหนึ่งก็คือ คือมองได้หลายมุมนะฮะพระโสดาบันนี่ยมองด้านด้านศรัท ธ, ธาคือจะเชื่อมั่นในพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณแล้วก็ใจสิกขา<ช>นี่<ช>นี่คือด้านด้านศรัทธาด้านปัญญานั้นความเห็นจะชอบตามตำนองครองธรรมริโวทิฐิสัมปันโนด้านใจสิกขาก็คือศีลสมุนสมาธิประมาณปัญญาพอ ป, ประมาณด้านดับกิเลสก็คืออย่างที่ว่าแล้วคร<ช>ับก็มองจากอันไหนก็จะเห็นอีกสามันเองหมายความว่า ถ้ากิเลสดับแล้วไอ้สามอย่างนั้นเ็าจะเกิดสามอย่างที่ว่าเนี่ยฝ่ายกุศลก็จะเกิดแต่ถ้าเกิดเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยไม่ใช่หรอกต้องครบ ต, ต้องต้องครบชุดนะครบชุดครับขอบคุณเจ้าพกงาครั บ, ค บ, บ, ใใบสายที่เจ็ครับสวัสดีครับ กระถามข้อหนึ่งนะตอนละเมอเนี่ยเพราะว่าของจิตมันเป็นอย่างไรแล้วก็เช่นเช่นละเมอพูดละเมอเดินนะครับแล้วก็ข้อสองนะวัดร้างในไทยนี่มีเยอะแค่ไหนแล้วก็จะทําอะไรกับวัดร้างบ้างครับการละเมอเนี่ยมันเป็นลักษณะของจิตที่ไม่นิ่งนะจิตที่ไม่สงบแล้วก็สะสมอันนั้นเอาไว้แล้วก็ถึงจุดหนึ่งมันก็ออกมาในรูป ทางการละมือละมือพูดละมือเดินอะไรแต่ไรบางคนละมือไปถึงก็หยิบช่วยอะไร ส, สิ่งต่างๆก็มีนะฮะก็ แ, แ, แสดงว่าสภาพจิตมันเก็บกดเรื่องหลดนั้นเอาไว้ แ, แล้วก็มากผลถึงถึงจุดหนึ่งก็ทำทำทำนอกการควบคุมออกไปแต่แวัดร้างเนี่ยมันก็มีประมาณสักสี่ห้าพันวัดนะ น, นะแต่ว่าที่จริงแล้วมัน ถ้าเรารวมพื้นที่มันก็ไม่มากแล้วก็ส่วนใหญ่เวนี้ประชาชนก็กระทมาให้กินกันอยู่ก็เช่าจากศาสนาสบัิกลางนะเช่าจากศาสนาบัติกลางก็หาประโยชน์นะฮะมาธนุบารุงศาสนาที่เป็นองค์รวม ใ, ในความพวกนี้เป็นสมบัติของพระศาสนาผลประโยชน์เหล่านั้นที่จริงก็ อ่ามันก็ถูกกว่าทรัพย์สินส่วนรัมมากษัตรย์ครับคือทางศาสนานี่ไปเพิ่มค่าเช่าค่าเช่าอะไรก็ไม่ได้หรอกเดี๋ยวโดนเดินเดินกบวน <laughs> คือคืออย่างวัดใหญ่ๆ ใ, ในกรุงเทพเนี่ยที่ดินเยอะที่ให้ค่าเช่าเนี่ยบางทีมันไม่คุ้มภาษีโรงเรือนครับคือคือวัดก็ต้องต้องแบกรับภาระตรงนี้เพราะว่าะจะไปเรียกเก็บจากโยมก็โอ้สู้ไม่ไหวครับอแล้วก็สวดมากกับคนอื่นเขา เขายอมแต่กับกับทางวัดแล้วก็สวดสวดมากเขาไม่ยอมเขาไม่นึกว่าเป็นบาปนะเพราะว่าวัดต้องหาเงินอื่นมาไปใช้ภาษีให้เขาอะ่ะใช่ครับแล้วเขาก็กินอยู่ขัดทายลงบนพื้นที่ <c oughs> ของวัดแต่มันก็เป็นบาปนะ <c oughs> แต่เขา <c oughs> เขาเขาไม่ค่อยรับรู้ต่อคนเห่นี้ <c oughs> ก็เป็น <c oughs> เป็นเรื่องยากก็การําเนินการอยู่นะมันมีระดับกองระดับกองก็เรีกองสาสารสมบัต ตอนนี้ก็เป็ น, เ ป, นเป็นด็อกเตอร์เลยนะฮะเป็นผู้นายการกองเลยเป็นด็อกเตอร์เลย oh. อ๋ออ่ครับข่าวเซนรัลท่าครั บ, รบขออนุญาตนิดหนึ่งแฟนรายการฝากมาถามนิดนึงนะครับบอกว่าทําไมเอ่อคนสมัยนี้พวกโจร น, นะครับถึงได้มีบางบางคนที่ออกข่าว ม, มาว่าไปหลอกพระว่าจะไปขอบินเอ่อจะขอนิมนต์ท่านไปรับ อะไรฮะส่วนตามบ้านอะไรพวกนี้แล้วปรากฏว่าพอรับท่านไปก็ไป ง, ง, งัดกูตรงงักุติเดี๋ยวนี้มีการตัดเินพระทําไมเดี๋ยวนี้ไม่กลัวบาปกลัวพระคือเราจะเห็นว่าความรุนแรงแบบเนี้มันมามาพร้อมๆกับสงครามเวียดนามต่อเขาทั้งขับครั บ, ค, รบคือสมัยโบราณเนี่ยเราไม่ค่อยมีข่าวเรื่องเรื่องเรื่องคนชาวพุทธไปขงโมยพระพุทธรูปเองใช่ใช่ไหมครับนะ แต่เวลาเนี้ยมันจะเกิดคือหลังสงครามเวียดนามแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเมื่อคนไปติดพวกฝิ่นพวกไอสิ่งเสพติดทั้งหลายเนี่ยครั บ, รบแล้วก็เกิดแพร่หลายขึ้นแล้วก็ส่วนมากจิตใจเขาก็ไม่ปกติหรอกคนค น, คนพวกเนี้ยครับทีนี้ที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าเวลาเข้าประสบผลกรรมเนี่ยพวกนี้จะแรงนะฮะคริงจริงผลกรรมก็จะแรงเช่นว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเขารู้ว่า แกขโมยตัดตัดพระไปตเนี้ยครับแล้วไม่กี่วันนะเดินเมาเหล้าแล้วไปนอนพลาดบนรานรถไฟแล้วค่อยมายตัดรตรงตรงนี้แกตัดพระโอ้ขัดใครับก็คื อ, คอไอ้ข่าวตรงเนี้ยมันมันโยงมาไม่ได้ครับมันโยงมาไม่ได้เพราะว่าคล้ายๆจะไปซ้ําเติมเขาครับแล้วก็ หลักฐานพยานเนี่ยมันไม่ชัดเจนแต่ว่าคนคนนี้ชัดเจนนะฮะคนคนนี้ชัดชัดเจนแล้วเขาก็บอกเนี่ยเขาเขาก็ไปตัดพระมาไม่กี่วันเนี่ยแล้วก็เอาอาจจะเป็นเงินนั้นก็ได้นะไปซื้อลาหมอเลยก็เดินเลถึงก็นอนพาบนบารังรถรถค่อยก็ัตายก็เรื่องเหล่านี้มันมันมันพูดยากเป็นปัญหาเศรษฐกิจ เป็นปัญหาการศึกษาเป็นปัญหาสังคมเป็นปัญหายาเสพติดซึ่งก็หมายความว่าเป็นภารกิจที่สังคมจะต้องช่วยกันแก้ไขครับเพราะว่าจริงๆคนเหล่านั้นมันก็คือพี่น้องเรานี่แหละไม่รู้จะไม่รู้จะเอาไปไหนอ่ะก็คือคือคือทำยังไงว่าจะแก้ไขด้วยการจับไปให้การอบรมฝึกอาชีพแล้วก็ให้กลับเนื้อกับตัว ะวันก่อนไดดูรายการรายการอะไรเขาเรียกว่าหลุมดําำเขาเอาเรือพระมาออกอ่ะรเอามาก็โทรศัพท์ไปเช็คกับพวกพระวินัยอธิการบอกว่าที่เขาว่าเนี่ยจริงไหมบางองเนี่ยเขาบอกว่าจริงนะคือหมายความมาบวชพระจริงแต่ว่าที่จริงแล้วก็เป็นนักโทษที่เขาอภัยโทษในโอกาสพิเศษ<อ>ใช่ไหมเดี<อ>๋วเขาก็บวชบวชแล้วเขาก็ไม่ยอมศึกครับ นะเพราะก็เห็นว่าเป็นทางที่ธรรมะกินเ็าได้แล้วเขาก็ไม่ยอมอยู่ที่วัดแล้ก็จับศึกหลายครั้งแล้วบอกว่าแล้วแกดก็ไปบวชที่ไหนมาอีกไม่รู้นะอันนี้คือคือเป็นปัญหาที่รเราจะโทษเขาก็ไม่ได้ครับเป็นปัญหาของระบบการศึกษาระบบของสังคมคที่ว่ารัฐเองก็ยังดูแลประชาชนไม่โท่าถึงคือคือคือเรามองไปเรื่องเล่นดินเล่นหินมากไปไงรประเทศไทยเนี่ย เห็นไหมฮะเราสร้างอะไรสะพานถนนเรือะักเยอะราคาแพงๆเป็นอิฐเป็นหินนั่นนั่นเลยแต่เราไม่คิดถึงการสร้างคนสร้างมนุษย์โโสร้างขับคือการพัฒนามนุษย์เนี่ยมันต้องหนึ่งะมนุษย์ต้องมาก่อนหนึ่งมนุษย์สมนุษย์สามนุษย์อะอย่างใกล้ค่าก็เจ้าเมืองลูกก็ถามคงจือ้อว่าทํายังไงจะบริหารบ้านเมืองให้ปนระชาชนอยู่เย็นเป็นสุขขอยบอกกันสามข้อคงจื้อบอกหนึ่งจงให้การศาึกษาแก่ประชาชน ก็ตามสองสองจงให้การศาึกษากระจายนฉสามจงให้การศาึกษากระชาครับติดอาวุธปัญญาให้มนุษย์ให้ได้ครับแล้วปัญหาเหล่านี้มันจะลดครับทีนี้ถ้าหากว่าเราทําแก้ที่การศึกษาไม่ได้เนี่ยอย่างอื่นมันก็แก้ยากหมดครับเพราะว่าเด็กมันจะรวมกลุ่มอยู่ได้ในสถาบันการศาึกษาเท่านั้นเองน อ, อกจากนั้นแล้วจับตัตามตามจับตัวยากแล้วทีนี้ <laughs> <laughs> เอามาทีได้เหมือนก็จะปูใส่กระด้งนะะครับ เราเรามายากนะขอขอครับครับก็คนนี้จะควรใจเราก็ตอก้องแต่นโยบายของท่านอธิการบดีนะครับท่านดรราชนีพรปุกยาพรกมาศนะครับที่ให้การบอกกับพวกผมเสมอเลยนะครับในบรรดาครูบาอาจารย์กว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนะฮะก็คือทรัพยากรมนุษย์ นะครับมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดเราจะต้องพัฒนามนุษย์แล้วก็ทําให้ยังไงให้นักศึกษานะครับเป็นคนดีนะครับเราจะต้องทําคนดีให้สู่สังคมมาได้เป็นบัณฑิตที่ดีสู่สังคมให้ได้นะครับนี่คือปณิธานของมหาวิทยาลัยศิริปถุก น, นะครับขอญาตสายที่แปดนะครับสวัสดีครับครับท่ญญานผู้ชมทุกท่านอาจารย์ครับขอขอญาตที่จะถามปัญหาค่าจ่ายซึ่งอาจจะค้างกับคืนกุ๊กวันนี้เรื่องการถวายสังฆทานนะฮะคือได้รับการ ศึกษามาบ้างว่าการถอยท้งองทาคือการที่เราถวายอาหารแด่สงฆ์ไม่ใช่ข้าจอจงกับพิสูจรูปหนึ่งรูปใดใช่ไหมครับครานี้เมื่อมีพรามาวิสาบาทหน้าบ้านเนี่ยเราก็ไม่ได้ข้อจดจงแล้วก็ ตั้งใจไว้ว่าจะถวายกับสงสาวกพระผู้มีพรภาคเจ้าอันมีบุตรี่คู่แปดหลุดเป็นต้นนี่นะฮะถ้าเราก็ถวายอัานท่นไปแต่เราก็ไม่ได้แจ้งท่านนะะว่าเราได้ถวายจักรพรรดิแต่ในใจเมื่อเราเป็นผู้ถวายเราจะทราบว่าเราตั้งใจถวายกักรพรรดิอย่างเงี้ยเพ่ทราบจะถูกไห้นี่ข้อที่หนึ่ครับข้อที่สองการบริจาคทรัพย์หรือบริจาคเงินนี่นะฮะ ทำอย่างไรจะไม่เสียดายได้แล้วทั้งที่มันเกี่ตั้งใจจะไปไปจังเินะห้าร้อยพันเลเงี้ยที่วัดนะฮะมาถึงวัดแล้วมันเกียวแ้เหลือแค่้อยเดียวครับผมข้อกย้ที่สามสครับเออเคยเคยเคยฟังทางรายการยืยนเรื่องของที่มีอ่าเกี่ยวตัวนึงฮะตั้งใจจะจับจะจับยกไปจับอะไรก็ไม่ทราบเสแล้วก็บินไปบริเวณวัด จับผ้าจัาตาประจิ้งเอากิ่งไม้เข้าเอากิ่งเอากใบไม้เข้าใบในลานวัดอะไรฮะเรแล้วก็ไปทิ้งข้างนอกอันนี้สงนี้ทำให้เกิดเป็นเทวดาได้ถ้าเป็นเรื่องจริงแค่ไหนนพราะสามตามข้อนะครับอับ่านมรนิทานวาอคือคือที่คิดอย่างนั้นมันก็คิดไปเถอะเพราะว่าคำว่าสงในภาษาธรรมะเนี่ยคือหมายถึงภิกษุเช่นเช่นเนี้ยเช่นเช่น สูงรูปแรกก็พระอัญญากนัญญะครับก็นั้นก็หมายความมองในมิติทางธรรมะก็ถูกต้องนะฮะถ้ามองในมิติธรรมะเป็นความตั้งใจอย่างนั้นแต่ว่าอันนี้เราพูดถึงศาสนพิธีครับผู้ระดับของศาสนพิธีกับผู้คนระดับกันแล้วก็อะไรนะข้อที่สองเบิจากเงินยังไงไม่ใช่ตายอ๋อคือเป็นธรรมชาติมนุษย์นะฮะครับ พระวุทเจ้าบอกว่าเมื่อจะกุศลเมื่อจะฆาตเจตนาคือเจตนาที่บริจาคบางเกิดขึ้นเนี่ยต้องรีบทําในขณะนั้นทําเร็วๆทำด่วนๆถ้าทําช้าไปจิตสนีจะเกิดขึ้นเป็นพันดวงแล้วสกัดกั้นเจตนาที่จะบริจาคเอาไว้จะทําให้บริจาคไม่ได้โอ้โหวันตัดสินใจต้องรีบทําครับครับแล้วทําแล้วอย่าไปนึกเสียดายมันครับ คืออย่าลืมว่าสิ่งที่เราบริจาคนั้นเป็นสมบัติติดตัวของเราจริงๆแต่สิ่งที่เราครอบครองนั้นเป็นสมบัติของโลกคือจับไประเด็นตรงนี้ได้ครับเพราะฉะนั้นทานเนี่ยมันมันไม่ต้องไปกลัวอะไรหรอกบริจาคไปเถ อ, อยู่แล้วมันก็จะอยู่กับเราตลอดไปนะมันเป็นผลบุญที่ติดตามเราไปครับอ่เหมือนเงาที่ติดตามบุคคล น, นั้นไปครับพรบะเจ้าทรงทรงแสดงว่า ส่งแสดงในอานิสงส์งข้อรองสุดท้ายกับข้อสุดท้ายเนี่ยปุณณะทานเนี่ยหนึ่งจอะจะไม่หลงตายแล้วสองตายแล้วจะบังเกิดในสุกติทรงยินยันอย่างนี้เพราะว่าทานเนี่ยจริงๆแล้วมันไปลดโลภะโทสะมหวนะอาจารย์ครับคือเราจะเห็นว่ามันไปลดโมหะที่ตัวเจตนาในการบริจาคครับลดโลภะในตัววัตถุที่เราจะบริจาคครับลดโทสะในตัวคนที่เราบริจาคนะฮะเพราะงั้นมันมันมัน จึงมีผลเมียใ น, นสงฆ์มากถ้าหากว่าเราทําด้วยกุศลและเจตนาจริงๆครับก็ทําตามกําลังทรัพย์กําลังศรัทธานะถ้ากําลังทรัพย์น้อยเราบริจาคมากนั้นเ ส, เสียดายแน่ครับเขาเรียกว่าถ้าถ้าทรัพย์น้อยศรัทธามากให้ทําตามกําลังทรัพย์ถ้าศรัทธาน้อยแต่ว่าทรัพย์มากให้บริจาคตามตามศรัทธาถ้าเสมอกันก็บอกบริจาคไปแต่ก็ไม่ได้แตกอะไร แตนรายการฝากระถามตรงประเด็นเลยครับท่านครับถามว่ากลัวมากเลยว่าตอนแก่ไปจะหลงแล้วก็เป็นอัลไซเมอร์เป็นอะไรพวกนี้ถามว่าจะทำบุญร อ, อก่อนไม่ไอครับอ๋อคือคือที่จริงมันต้องรีบทำะนะต้องรีบทำนะครับท่านครับ ก็คือถ้าเราเป็นอัลไซเมอร์ไปแล้วเนี่ยมันเจตนาไม่สมบูรณ์แล้วไม่ได้เลยน uh> şey ั่นน um> ี่จะโมหะกัตตังครับมีแต่โมหะเอาผ่านกัต่ <t <t <t <t ังข้อที่สามนี้ฝากมาถามว่าเหยียวจับนกแล้วก็บินเข้าไปในวัดอะไรท่านนั้นเป็นนิทานนะนิทานเนะครับเป็นนิทานคือมันมันอะไรล่ะคือกรรมเนี่ยมันต้องเจตนาครับก็เหยี่ยวจับ เอาอย่างนั้นมันไม่มีเจตนาที่เป็นกุศลอะไรต่อคราจครับมันเจตนามันเจตนาจะฆ่าสัตว์ได้ทั้งไปใช่ครับเดีวจับผิดเฉยๆถ้าพูดถึงในแง่ของศีลก็ถือว่าศีลด่างนะฮะศีลด่างก็ศีลพลอยศีลพลอยครับอาจารยไปครับขอบคุณเจ้าหนกับสายที่สิบครับสวัสดีครับครับโทษครับให้รอหนานเชิญสอบถามได้เลยครับการน้ำมันสกังทีนอาจารย์พระกุณเจ้านะคะ สวัสดีท่านอาจารย์ผู้ดำเนินรายการนะคะสวัสดีครับดิฉันเคยอยู่ร่วมบ้านกับผู้ชายคนหนึ่งต่างคนต่างอยู่ไม่สนิท ก, กันนะคะแต่ก็มองเห็กนการใช้ชีวิตของเขาได้เมื่อเขาเป็นคนที่ใช้ชีวิตในทางที่ประพฤติละเมิดศีลที่เห็นชายชีคอสามกับข้อห้าเป็นนิสัยแล้วก็เป็นมากต่อจากนั้นก็แยกย้ายกันไปต่อมาดิฉันก็ได้ทราบว่าเขาเจ็บแล้วก็ตายด้วยโรค เ, เกิดจากการประพฤติกรมของเขา ดิฉันไม่เคยไปเยี่ยมไม่ได้ไปเผาแล้วก็ไม่ได้มีความรู้สึกผูกพันใหญ่ๆกับเขาแต่หลังจากที่เขาตายไปได้ประมาณสามปีดิฉันก็ฝันถึงเขาดิฉันเห็นเขายืนอยู่ในมุมมืดแล้วก็ยืนอยู่ไกลาจากตัวดิฉันคครครับับพอดิฉันทักเขาเขาก็ออกมาให้เห็นแค่ครึ่งตัวเดินใน ล, ลักษณะเปรย์แล้วเจอตัวรีบแขนยาวนิ้วยาวผมรีบครับล้ายกับคนที่ขาดอาหารแทบปริกาครับ ก็สงสัยในประเด็นที่ว่าเรื่องพอกรรมบาปกรรมอะไรพวกนี้นะครับข อ, ขออนุ ญ, ญาตขอเวลาสักหนึ่งนาทีนะคะครั บ, รบ เ, ออเขาพูดอะไรบางอย่างกับดิฉันครับซึ่งตอนแรกนั้นคุ่เคืองฟังไม่ออกไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรแต่ในตอนท้ายเขาพูดชัดเจนมากว่ารอนแก้ผ้าอยู่กลางกองไฟพิฉันมาคิดทบทวนดูว่าโดยปกติดิฉันไม่ใช่คนที่ฝันรถเธอครับครับเออ ครับงั้นสอบถามในประเด็นนี้นะครับโทษนะครับสอบถามในประเด็นนี้นะครับครับครับครับแล้วฟังนะครับเสียงไม่มีครับผมสุดสิ้ครับผมก็แสดงไปตายไปเกิดเป็นเปรตนะฮะครับผมเขาภาพมันก็เป็นเปรตอยก็เป็นเด่นเดนกรรมเขานะนะครับ ก็ทำใจสบายก็ก็ก็กดีฮะเป็นตัวอย่างให้คนอื่นได้ได้รับรูรบนะ้เพราะว่าบาปในลักษณะนี้มันคือคือศีลทั้งห้าข้อเนี่ยเราพุทธเจ้ารับสั่งว่ามันหนียวลงสู่นรกทั้งห้าข้อนั่นแหละครับเพราะงั้นเราจะเห็นว่าสังคมไทยพยายามช่วยเรื่องศีลห้าข้อแก้ไขปัญหาเรื่องศีลห้าข้อ สร้างเป็นภาพเปรตสัตว์นั้นรอะไรแต่ต่างๆป้องกันศีลห้าข้อเยียงละเมิดกันเฉยครับไม่รู้จะว่าอย่างไงลนะแต่ว่าอย่าลืมมาศี่ห้าข้อนั้นจะมีทุกเป็นผลแน่นอนตายตัวไม่มีทางเป็นอย่างอื่นไปได้เลยแตละเมดครับคืออย่าลืมว่าทั้งสี่ข้อแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นบาปสากลครับ าปสาคกลเขาเรียกว่าคือโลกวัตชะหมายความผิดทั่วทั้งโลกคุณจะนับถือศาสนาอะไรไม่สําคัญหรอกแต่ถ้าคุณไปละเมิดชีวิตคนอื่นทรัพย์สินคนอื่นคู่ครองคนอื่นแล้วก็โกหกหลอกลวงคนอื่นแล้วคุณก็เป็นบาปทั้งนั้นเป็นบาปครับอาจารย์ครับส่วนสุรานั้นเราจะเห็นว่ามันมีโมหะกับโลภะครับคนที่ดื่มสุรามันแสดงโมหะเยอะแล้วก็โลภะเยอะครับมันรู้วไปนันตรายยังดื่มครับมันมันมันเลยโทษแรงครับโทษแรงทางนั้น ก็ก็ที่โยมถามมาก็ถือว่าเป็นเป็นตัวอย่างให้คนได้คิดคนะแล้วก็เราก็มีเรื่องราวที่ถูกร ก, ถกรอกถูกกรอกในน้ำทองแดงอะไรต่างๆเยอะสมัยก่อนนะ่นนะฮะทุกวันคนไม่เชื่อหมนแล้วฮะมันก็เราพูดยาก่านพูดยากครับว่าอย่างนี้จ ะ, จะทำบุญให้กับเออเปรตย่งนี้ได้ไหมก็อุชิดให้นะได้แต่ว่าเขาเขาบางทีเนี่ยใจเขาไม่ยินดี แต่เราก็ต้องอุทิศไปเรื่อยๆอ่ะนะต้องอุทิศไปเรื่อยๆนะอุทิศไปเรื่อยๆจนกว่าคือว่ามันมันมันการรับส่วนบุญเนี่ยเขาต้องอนุโมทนาครับท่านครับคืออย่าลืมว่าการรับส่วนบุญมันไม่ใช่ส่งพัสดุไปจีนีแต่ว่าเราเขาเรียกว่าปฏิทานใหม่เราอุทิศส่วนกุศลให้เขาก็ปฏานุโมทนาใหมา คือว่ากรรมใดใครก่อคนนั้นเป็นผู้รับกรรมคครรัับบเราเป็นเหตุให้เขาได้อันมุทนาแต่นั่นเองแต่ไม่ใช่ของเราไปได้เขามันเหมือนอาจารย์สอนหนังสือเนี่ยไม่ใช่ความรู้อาจารย์วิ่งไปเข้าในเด็กใช่ไหมความรู้ก็คงอยู่ที่อาจารย์นั่นแหละอาจารย์ก็เพิ่มขึ้นความจานานมากยิ่งขึ้นครับบุญกุศลจะมีลักษณะอย่างนั้นแหละโอท่านี่จะเปรียบเทีชัดเจนเลยนะครับ0ูนย์สองสี่หนึ่งสสาหนึ่งครับสายที่11ครับ สวัสดีครับขออนุญาตถามอีกครั้งนะครับครับผมออยากกรกล้ายว่าข้อหนึ่งนะครับการของแต่ละคนมันมันทึกอยู่ในจิตตัวไหนมันมันจะยังไงครับแล้วก็อีกท่อนหนึ่งการยังไงจะไม่ติดสมมุตินะครับเช่นติดในทรัพย์ติดในตัวสัตว์ประคุหรือติดในภาษานะครับครับผมขอบพระคุณครับครับครับการบันทึกในจิตตรงไหนครับมันมันจิตเป็นทำหน้าที่สะสมนะนะครับ จิตเนี่ยแปลว่าจินนธาต์ในการเก็บการสะสมสะสมกรรมสะสมผลของกรรมสะสมกรรมสะสมวิบากอะไรแต่ใดทั้งหมดนะสะสมดีสะสมชั่วครับมันก็อยู่ที่จิตนั่นแหละอย่าไปถามมันตรงไหนเลยนะจิตมันก็เป็นนามธรรมนะฮะวิช <c oughs> ีวิตชี้ิตชีวิตนามธรรมมันก็พูดยากครับมันมันก็กลายเป็นเป็นสิ่งที่จิตเก็บสะสมเอาไว้ถ้าส่วนไม่ดีเขาเรียกอาสวะส่วนดีเขาเรียกบา ร, รมีครับก็อยู่ที่จิตนั่นแหละ ใช่อะไร <ทำ S 2> นะทำอย่างไรจรึงไม่ยึดติดสมมติอ๋อยึดติดสมมุติมันก็ต้องต้องพยายามเข้าถึงความจริงพยายามเข้าถึงความจริงแล้วเราจะเห็นว่าสิ่งตัางหลายที่จริงมันก็สมมุติเอาแม้แต่เราเองเราก็สมมุติเอาแต่ส่วนว่ายึดติดในภาษานั้นมันอยู่ที่เราเข้าใจขนาดไหน <c oughs> คือบางทีเนี่ยมันต้องใช้ภาษาสื่อ เพราะถ้าเราไม่สามารถใช้ภาษาสื่อได้แล้วในฤี่สุดเยอะติดต่ออะไรกันไม่ได้ในนี้หมายความมันอย่างนี้อันนี้หมายความอย่างนี้อ น, นี้หมายความอย่างที่จะมันสมมติทั้งนั้นแหละแต่ว่าทำยังไงจะสื่อสารกันได้ล่ะนะคุณคุณบอกว่าเมตตา นะบอย่ายึดติดในภาษาไม่ตาตีหัวได้มันก็ไม่ใช่อะ่ะตีส ค, คือคือคื อ, ค, อคือไม่ใช่คือภาษาเนี่ยเราต้องใช้เพื่อสื่อสารแต่ไม่ใช่เราไปยึดติดครับเพราะว่าคําคําหนึ่งเนี่ยอาจจะหมายอะไรก็ได้เช่นแม่อย่างเงี้ยเราก็มีภาษาเรียกเยอะครับแต่ว่าสื่อไปแล้วเราก็รู้คือแม่ครับเห็นมก็แสดงว่ามันมันทํายังไงจะรู้ได้ด้วยภาษาอะไรก็ไม่ได้แปลกอะไรอก็ก็ อย่างพวกฉันพวกกรอนอะไรเยอะที่ที่ที่ภาษามันเปลี่ยนจาที่เราพูดไปจํามันแต่เราก็รู้ทําไมถึงอะไรเราอ่านแล้วเนี่ย <c oughs> ครับอาจารยคับบุณท่านผู้จัดขับสายที่สิบสองครับสวัสดีครับการรบผิดการการหลวงพ่อครับสวัสดีครับท่านผู้จัดรายการครับสวัสดีครับ <c oughs> ผมขออนุญาตพูดน้องเรื่องนิดนึงนะคะครับ <c oughs> คือผมอยากให้คนไทยเราในรักกันมากๆนะครับครับมีความปรารถนาดีต่อ ก, กันครับมีความสามคัคคีกันครับเพราะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยไม่ค่อยรักกันครับไม่ปรารถนาดีต่อ ก, กันแล้วก็ไม่สามคัคคีกัน ค, คือเท่าที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยเราคืออิจฉาตาล้นกันนะอิจฉาริสยากันแล้วก็คไฮไลน์ปายสีกันประะไปเจอคนไทยบางส่วนนะกับบางส่วนนะฮะไฮไลน์ปายสีแล้วก็ ทำลายกันครับคือใครขึ้นมาจะต้องโดนทำลายครับงั้นขอข้อคำถามเลยนะครับครับไม่พร้อมผมพวกแค่นี้ฮะได้ครับครับก็เรียกร้องนะได้ฮะแต่ก็เรียกว่าเหมือนกระปีนบันไดสวรรค์คือคือคนไทยเราเนี่ยหุดอ่อนคือเราเสียดายว่าเราครอบครองพระพุทธศาสนามาสองพันสองร้อยกว่าปีนะครับครับท่านครับ แต่เราเข้าถึงศาสนาชาบสวยมากแล้วโดยเฉพาะอย่างที่เขาพูดเนี่ยนะคือริษยากับวิหิงสาเนี่ยมันเยอะจริงๆเลยใครดีไม่ได้ใครได้ไม่ดีนะแล้วจะต้องทำลายเป็นเราเป็นเขาต้องเบียดเบียนรดูสิฮนะผู้หลักผู้ใหญ่เวนี่พูดออกวิทยุเมื่อไหรแล้วก็ด่าเพื่อนเมื่อ น, นั้นเลย <c oughs> แล้วก็คนก็พี่นอพี่เทาเรียกนณะท่านอะไรต่าง อวัดจีงกับทุจริตอยู่เลยครับมันจะว่ า, างไงอ่ะครับก็เรียกว่าอะไรขึ้นเข็นเ ข, นข็นรถขึ้นบุกเขาครับลากไม้อ ป, ปลายไปบินบันไดสวรรค์โบราณว่าครับพููได้แต่ท บ, บยากครับท่านผู้จัดครับหลายคนเป็นห่วงว่า อ, อตอนนี้เรายังไม่มีรัฐธรรมนูญใหม่ฉบับใหม่ที่เราจะร่างขึ้นมานี้ท่านผู้จัดครับในฐานะที่ท่านผู้จัดทํางานทางด้านเกี่ยวกับเรื่องศูนย์พิทักษ์และส่วนเสริมพุศาสนานะครับ จะมีบทบาทอะไรไหมครับท่านคุณจรครับที่จะทำให้พุทธศาสนาพูดได้เป็นศาสนาประจำชาติไทยแล้วก็ตั้ง อยู่ทีธรัามนุษอย่างนี้ครับท่านท้งสองเอคือปัญหาใหญ่ ม, มันมันมันเอามาว่าเรื่องการสื่อสารครับวันที่ยี่สิบสามเนี่ยเราจะไปชุมที่หมหาเมกุฏราชพิลาลัยอ๋อครับท่านทั้แล้วก็จะบรรยายเรื่องนี้นะเข้านิโมนามาไปปาตกถานําชั่วโมงเออครึ่งชั่วโมงแล้วนอกนั้นเขาจะอภิปรายในประเด็นว่าพระพุทธศาสนากับปัญหาการร่างรัฐธรมนูญครั บ, ค, รบคือคือเป็นเรื่องแปลกที่สังคมไทยเนี่ย มันอะไรล่ะคือคือโดยเฉพาะยิ่งคือตอนการเปลี่ยนแปลงการป ก, ก, ก, กบบครองเนี่ยครับแล้วเป็นความบกพร่องของคนเพราะว่าพวกเรานี้เป็นนักเรียนอนอกอแล้วก็ไปศึกษาเรื่องอยุคมืดของยุโรปใช่ไหมฮะแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งนผู้สงครามกุศลอะไรต่างๆมันจะมองาศาสนาด้วยอคติตั้งแต่ต้นเอ่อรัฐธรรมนูญแต่และฉบับเนี่ยจะอคติต่อาศาสนาครับ เพราะว่าไปคิดไปยึดติดคือส่วนใหญ่มันเรียนมาจากนอกแล้วก็ไปคิดว่าศาสนาพุทธเนี่ยมันเหมือนกับศาสนาที่เขาทำสงครามกันซึ่งคนละเรื่องกันเลยรพระพุทธศาสนานั้นมีคุณูปการต่อแผ่นดินนี้การร่างรัฐธรรมนูญนั้นก็คือการนำความจริงที่มีอยู่ในประวัติศาสตร์มาร้อยเรียงขึ้นเป็นภาษาซึ่งโดยนิติประเพณีนะ่ะมันเป็นกฎหมายอยู่แล้ว ใช่ไหมกฎหมายโดยนิติประเพณีแต่เรามาเขียนให้เป็นหลายลักอักษรเป็นลักษณะคล้ายๆสัญญาประชาคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งขบทความทั่วไปเป็ดกล้ามาตราแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าแผ่นดินเราก็เราก็มีมาตั้งแต่โบราณนะแต่ไม่มีรัฐธรรมนูญนะั่นแหละรประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งันเดียวจะแบ่งแยก<ช>ไปได้เ<ช>นี่ยของตายอยู่แล้วแต่มาพระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะร่วงละเมิดไม่ได้พระมหากษัตริย์เป็นพุทธมามกะเนี่ยอะไรตระหนี่ว่าชาติเราก็ใส่แล้วอะ แล้วพระมหากษัตริย์เราก็ใส่เรียบร้อยแล้วครับแล้วประชาชนเราก็ใส่เรียบร้อยแล้วแล้วมันโดนครับแล้วศาสนาล่ะทำไมคุณไม่ใส่ล่ะเออครับศาสนาเนี่ยเขาเป็นผู้หล่อเลี้ยงสังคมไทยสร้างเอกภาพในสังคมไทยมาตั้งแต่ยุคโบราณมาเลยครับที่เราหลอมรวมคนเป็นหนึ่งเดียวกันได้เพราะว่าเรามีศาสนาเดียวกันใช่ครับเหอเมนนายกจีนลาวมาวันนี้ท่านก็พูดครับมันก็เสริมกระชับความเป็น เป็นพวกกันเนี่ยให้แน่นขึ้นเพราะเราภาษาเราสื่อสารกันได้เราศาสนาเดียวกันครับเราเป็นบ้านใกล้เรื่องเคียงกันนายโยบินเดลาพูดเองวันวันเนี้ยครับเนี่ยนี่คือ ค, คือ ค, คือเป็นเรื่องแปลกแต่จริงแต่วันนักวิจัการของเราเนี่ยพวกพวกเนี้ยมันจะอคติคือเป็นโมหะคติแล้วก็เป็นพยาคติครับคือกลัวบางศาสนาครับ มาเลเซียเนี่ยเขามีอิสลามแค่หกสิบห้าเอร์เซ็นครับประเทศไทยมีพุทธเก้าสิบเก้าสิบสี่เอร์เซ็นตครับเป็นศาสนาประจำชาติไม่ได้มาเลเซียก็เป็นได้ยูติดกันเนี่ยครับอยู่ขั้นใต้เนี่ย <c oughs> เห็นไหมฮะแล้วก็เนี่ยปากีสถ า, านก็เป็นแอะไรก็เป็นหมดเลยครับศาสนาอิสลามเขาเป็นเกือบจะทั้งโลกครับผมเป็นรัชอิสลามครับเราเป็นไม่ได้สักประเทศหนึ่งแต่ว่ากอมเมนต กมณีไม่ใช่เดียวฮะที่กล้าประกาศเไยเนี่ยนี่นี่คือเป็นเป็นเรื่องที่ที่น่าสรุปใจแล้ววันนั้นปรากฏว่าพวกอะไรล่ะสมาชิกสภานิติบัญญัติจะไปหลายท่านสนชครับท่านครับสนชใช่ครับท่านครับก็ก็เห็นมีรายชื่ออยู่ครับประมาณสักสิบกว่าคนนะครก็ดีครับจะคุยอาจารย์ได้นะครับครับผมศูนย์สองสองสี่หนึ่งสองสามหนึ่งครับครับสายที่สิบสามครับสวัสดีครับครับผมเออ ไ, ได้ครับครับหลีกพิทีทางบ้านนิดหนึ่งครับจช่นเดียครับเมื่อกี้ผมอยากจะเสริมต่อจากหวงพ่อนะครับผมอยากจะให้คนแบบว่าที่่เตรียมนันกขันแบบท่านท่านเป็นประธานกรรมการเกี่ยวกับธรรมะนะฮะครับผมผมรู้จักไปเจอรู้จักตอนนี้ท่านเป็นคนเอกนะครับเ็นผู้ช่วยท่านระธานตนี้นะท่านทานก็เป็นประธานกรรมการโมนิทิศศึกษาโดยแน่พุ ท, าาทรรธรรัร ครับครับถ้าหลงพอติดต่อได้ก็น่าจะดีนะครับครับแล้วก็มีคนตีดรวิีลาคนมากถึงคนอ่ครับย้ำขอบคุณมากย้ำขอบคุณครับการแนะนำมหาเี่หลายๆท่านที่ช่วยเหลือบุคคลศาสนาอยู่นะครับครับผมก็ขอบคุณมากเลยนะครับทุกท่านเป็นห่วงพุทธศาสนาของเราอย่างมากเลยนะครับท่านที่คุณอาจารย์ก็เอ่อถือว่าเป็นเอ่อคล้ายๆเป็นแม่ท่าปเอกไฟธรรมะเลยนะครับที่ปกป้องพุทธศาสนามาโดยตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับจะเห็นว่าท่านที่คุณระเบบของเรานะครับ ต่อสู้แล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อพุทศาสนาที่อาจารย์ครับอุดมการณจริงๆแล้วในทางพุทศาสนาเนี่ ย, ยของที่ที่อาจารย์สั่งสมมาเนี่ยมันเกิด เ, เกิดจัดที่ว่าที่อาจารย์ได้เรียนมาหรือได้ศึกษามาหรือเปเป็นการสั่งสอนจากสมัยก่อนกันนงครับคือคือมันก็หลายเรื่องเนี่ยนะคือมามันอาจจะเติบโตมากับพระครับคือได้พบได้เห็นได้ยินได้ฟังแล้วก็เราจิตใจเราก็โน้มเอียงไปในทางศาสนาครับ ที่จริงถ้าพูดถึงว่าสมัยเด็กเนี่ยที่จริงมังฝันหลายเรื่องฝันเป็นตำรวจฝันเป็นทหารใช่ไหมก็ฝันหลายเรื่องกับเด็กๆเนี่ยแล้วก็ความฝันมันก็บีบเข้ามาคือก็มาสนใจในการเป็นพระพเรารู้สึกว่ามีมีงานให้เราทําอ่ะครับแล้วก็รู้สึกทําสะดวกคือไม่ไม่ต้องไปยึดติดอะไรครับแล้วไม่ต้องอยู่ภายใต้บงการของใครก็เป็นเงานที่เราชอบครับแต่รู้สึกเป็นสุขคือหมายความว่าคือ มาเมื่อ04ถึง20เนี่ยมาอยู่ในคุกบางทีตั้งครึ่งวันเนี่ย อ, อบรมแล้วโทษไปเด็นั่นจ<า>แจกเดนั้นไปเด็นดนั้นแจกเด็นั้นนั้นฉันเข้าฉันเพนเสร็จก็อบรมต่อได้แต่ใดก็ฉันเข้าอยู่ในคุกเนี่ยฮะ <c oughs> มันเป็นสุขนะครับเป็นสุขที่เราได้ช่วยคนไหนมีปัญหามาไหมเราก็เรียกมานั่งคุยกันก็เหมือนคุยกับญาติครับแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเขาเป็นผู้ต้องขังไง <c oughs> <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็คือคือเป็นความภูมิใจที่เราทำงานตรงนี้อยู่นานที่ราดยาวโดวยเฉพาะที่ราดยาวที่บางขวางที่แถ่เนี้ยฮะ เรีนจำนวนอะไรต่างๆ แ, แล้วทำอยู่น า, านขอบคุณครับท้ยส่วนนี้นะครับเนื่องจากวันที่ยี่บสองวันศุกร์ที่ยีิบสองธันวาคมนะครับเป็นวันทำบุญอายุวัฒนามงคลของท่านดรมารินีพุกขยาพร์นะครับท่านคุณแม่ของท่านนิิการบดีและเป็นผู้รับใบอนุญาตของมหาวิทยาลัยสิบปฐุมครับรายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสิบปฐุมขอกาบพัฒนาปฏิปักษ์คุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ <c oughs> ช่วยกับเนยพรแก่ท่านดรมารินีพุกขยาพรหน่อยนะครับท่านครับอพรก็ขอ ท่านด็อเตอร์เนี่ยนักตีกรินะะก็ขออนุภาพแห่งสิ่งเคารพสักการะที่ด็อกเตอร์ยึดถืออยู่ด็อเตอร์มารดีพุกยาพรยึดถืออยู่ในโปรดดุลมดานวิบาตรักษาให้ประสบความเจริญดุ้งเรืองะสมบูรณ์ด้วยอพรนี้ก็พรสากลไม่จาเกี่ยวกัรศาสนาอะไรนะอายุวันน่าสุขภาพละตลอดกาลนานะท่านก็ อยู่เบื้องหลังความสาเร็จของมาเจริศีปทุมเป็นอย่างสูงทีเดียวค่ะอารั์ขอบคุณเช่นกันครับครับผมวันนี้รายกาสียงทํามจากมหาวิทยาลัยศริพัฒนขอกราบลาท่านผู้รฟังรายการท่านก่อนนะครับกอนจะรับความขอบคุณจากท่านพลเอกเสรีภูมิกมานท่านเจ้าของรายการครับขอกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ